อ่าส่วนข้อที่ห้ามีงานทำแต่ไม่อยากทำดืด้อๆโอ้โอัอน น, นี้นี่แม่ลูกตรงเลยนะลูกตรงเลยไม่ต้องไม่ต้องยิงอ้อมอะไรเลยมีงานให้ทำเนี่ยแหละแต่ดืด้อๆไม่ทำอะ่ะจะทำไมไม่ทำอะ่ะมีนะเคยไปถามบางคนเนี่ยโอ้มีสัญชาติของคนตรงดีมาก ไปถามก็อตอบตรงๆเหมือนกันไม่ทํามาจะทําไมอ่ะเออแมถ้าเป็นแต่ก่อนเขาบอกโอ้โหนักเลงจริงคนนี้นักเลงจริ ง, ง, รงแต่มันเป็นนักเลงที่แหม่มันดื้อ ม, มากเลยเออถ้าอยู่นอกวัดหรือว่าอยู่ที่อื่นก็แล้วไปอ่ะนะอจริงๆมาปัดมาปฏิบัติธรรมมาถือศีลโอ้ก็รู้อยู่ว่ามันควรไปทําอ่ะแล้ว ม, มีงานให้ต้องทําอ่ะ ยังมาอู้มาเบี้ยวมาอะไรคนเข้าไปชวนคนเข้าไปถามนี่ตอบดื้อๆไม่ทําเนี่ยทาไมเ <c oughs> ือไอ้ท่านลักษณะอย่างนี้จะมาว่าโอ้ไปอยู่นอกวัดหรือว่าไปที่อื่นก่อนเถอะนิมนต์ <c oughs> นิมนต์ไปวัดอื่นก่อนเถอะถ้าอยู่วัดนี้นี่ควรขยันควรที่จะแบบว่าเออช่วยเหลือกันอะไรอย่างเงี้ยขนาดบางคนไปขอร้องเซ้าไปนะ บอกเอาขอหน่อยเธอขอช่วยกันหน่อยเออถ้าเขามาพูดแบบแข็งแข็งหรือว่าพูดแบบกระด้างกรด้างบางทีเรายังเออมานะขึ้นนะ่ะที่จริงคิดจะไปช่วยอยู่เหมื่อกันนะแม้แต่พอเวลามาเรียกเราทีนี่โอ้มเรียกเราอย่างก็เราเป็นหมูเป็นหมาตอนแรกก็คิดจะไปช่วยอยู่แล้วนะแม่พอฟังอย่างนี้เท่านั้นเองอะ่ะช่วยตัวเองเลยนะเออจริงจริงบางคนเนี่ย ตามมานะขึ้นนี่โนอะ้โหกวาดกวาดอย่างอื่นทิ้งหมดเลยจิตจิตคนเราแต่บางคนนะแหมงานหนักก็แสนหนักจริงๆเราก็ไม่ค่อยอยากจะไปทําเลยพูดตรงๆเพราะเรารู้สึกไม่ชอบองานนี้แต่คนที่เขามาพูดนี่เขาพูดดีอะ่ะหรือว่าเขามีจิตวิทยาในการพูดใช่ไหมเขาก็มาบอกว่าอ้าวขอแรงหน่อยนะท่านผู้ทรงพลังทั้งหลายรู้จักพูด นะครเพื่อ บ, บุญเพื่อกุศลนะเราเราร่วมแรงร่วมใจกันนีนะนะจะได้ทําให้งานนี้สําเร็จรุ่งรุ่งด้วยดีทุกคนก็จะได้ยิ้มแย้มแจ่มใสมีความสุขร่วมกันอะไรต่ออะไรก็แล้วแต่แล้วนะนะแต่ว่าศิลปะคนที่จะมาชวนก็ปากรว่าโอ้โหคนจะยินได้ฟังหรือว่าคนที่ถูกชวนอย่างนี้แหมรู้สึกโอ้โหกําลังใจเป็นกายเป็นกองนะ อาจจะชอบลูกยอหน่อยก็ได้แต่มันก็เป็นเรื่องของกำลังใจจริงๆมันก็ทำให้ ท, ท, ทั้งๆที่ไองานนะั้นไม่อยากจะไปทำเลยนะจริงๆในใจเนี่ยกะจะเลี่ยงๆอยู่แล้วกะจะหลบๆอยู่แล้วแต่พอได้ยินอย่างนี้ก็รู้สึกว่าเออเปลี่ยนใจเราได้กลับจากจิตของเราที่มันมันจะหลบจะเลี่ยงยกลายเป็นเออไปช่วยเขาหน่อยนะนะแล้วก็ไปช่วยจริงๆกลายเป็น กลายเป็นฉันท่ากลายเป็นมีความยินดีพอใจจะช่วยเพราะคนที่มาพูดกับเราเออเขาพูดดีอะ่ะ อ, อบางทีไปช่วยเพราะคนเนี่ยแหละนะที่มีศิลปะในการพูดเนี่ยอย่างนี้ก็มีนะเพราะฉะนั้นอันเนี้ยจากข้อห้าเนี่ยนะมีงานทําแต่ไม่อยากทำดือ้อๆเนี่ยให้เห็นจิตกระด้างมากกระด้างมากแล้วก็ไม่เก่งกลัวไม่อะไรด้วยเอาข้อหกข้อสุดท้ายข้อห ดูนะ่าลักษณะของคนขยะนอนเกินกว่าควรพักเกินกว่าควรเล่นหรือเริงรมมากกว่าควรอยู่ว่างๆเกินกว่าควรโอ้โหนี่หลายอันนะดูนะข้อหกนี่รวบรวมเกินกว่าควรเนี่ยหลายอย่างเลยอย่างที่หนึ่งคือนอนพูดง่ายนอนมากไปนอนมากเกินจริงๆเนี่ยทางาน ทั้งวันโดยปกติคนนี้หรือว่าโดยทั่วไปของพวกเราเอาพักสักหกชั่วโมงประมาณนะโดยประมาณสักหกชั่วโมงพอแล้วเอาหรือว่าหรือว่าอะไรอาจจะโหทํางานมาหนักมากเอา้ายังเจงก็เจ็ดชั่วโมงเอามากที่สุด <c oughs> เอ่อ <c oughs> เพิ่มไปเรื่อยๆนะแปดเหรออันนี้เอาโดยเฉลีย่ยเอาโดยประมาณถ้าไม่ใครไม่ใช่เจ็บป่วยไม่ได้ เป็นไขอะไรนะอันนั้นก็อีกเรื่องหนึง่งอันนี้จะพูดคนปกติคนมีกำลังวังชาธรรมดาธรรมดาวันมันนอนเกินกับควรนี่ก็เข้าข่ายของคนขยะคือมันจะมีกิเลสนะติดหลับติดนอนติดความสบายติดเสพนะถ้าติดอยู่อย่างนี้มันไม่สิ้นความเสพมันก็จะติดไปเรื่อยๆติดไปเรื่อยๆวันวิธีแก้ตัวนี้เนี่ย พยายามแต่ละคนไปหาเวลาของการนอนที่พอดีสำหรับตัวเองให้ได้ไม่มีใครรู้มันเหมือนกับอาตมาพูดบ่อยว่าไปดูเอาว่าเรากินขนาดไหนพอดีกินข้าวเนี่ยกินอาหารเนี่ยเรากินวันขนาดไหนพอดีคนนั้นต้องไปหาความพอดีให้กับตัวเองที่ว่าไม่เขยกโกนะยังยังพยายามหาความมัชชิมา หาความพอดีพอเหมาะหรือความเป็นกลางให้กับตัวเองให้ได้กินคุณไปหาดูสิว่าคุณกินขนาดไหนพอดีพอเหมาะสำหรับคุณในยุคเนี้ยในช่วงนี้คุณหาความพอดีได้นั่นแหละคุณถึงจะรู้ว่าอะไรที่มันเกินหรืออะไรที่มันขาดถ้าคุณหาความพอดีที่พอเหมาะให้กับตัวเองไม่ได้คุณจะไม่รู้เลยว่าอะไรคุณเกินหรืออะไรคุณขาดคุณจะไม่รู้ในชีวิตงคุณ เพราะคนจะรู้มัชชิมาปฏิปทาหรือว่าทางสายกลางของพระพุทธเจ้าได้เนี่ยคนนั้นจะต้องรู้จักสแสวงหาความพอดีของตัวเองให้ได้อเล็กี่ยกตัวอย่างการกินเนี่ยมันจะเห็นได้ชัดตอนนี้ ม, นมาพูดถึงเรื่องการนอนเห็นไหมว่าเรื่องการนอนคุณจะรู้ได้ยังไงว่าคุณจะนอนกี่ชั่วโมงถึงพอดีสําหรับคุณเออจะรู้ได้ยังไง อ, อ๋อนอนเมื่ออิ่มก็รู้ว่ารู้ว่าพอดีอะนะ อ, อ๋ออย่างนี้หมายถึงว่ากินข้าวอิ่มสมมตินะกินข้าวอิ่มก็คือพอดีใช่ไหมไม่ใช่หรอกวิธีนี้ไม่ได้ไม่ได้เป็นการแสดงหาความพอดีได้ก่อนที่เราจะรู้ว่าอิ่มแบบพอดีเป็นยังไงเนี่ยดูนะ่มันมีอิ่มพอดีกับอิ่มเกินอิ่มจนอ้วกมีมีได้ทั้งงา น, นเพราะฉะนั้น มันจะต้องทดลองคุณทดลองดูสิสมมุติว่าอาทิตย์นี้นะคุณลองดูก็ได้คุณลองนอนสักเอา้าสมมุติว่าสักห้าชั่วโมงคุณลองดูสิลองสังเกต ด, ดูตัวเองสิเออนอนวัละห้าชั่วโมงห้าห้าชั่วโมงจากที่คุณใช้ชีวิตปกติธรรมดาเนี่ยแล้วเป็นยังไงบ้างแล้วพยายามอย่าไปมีอุปทานนะพยายามอย่าไปสร้างอุปทานพยายามตัดอุปทานทิ้งบ้า น, นี่กําลังเป็นการทดลองอยู่ แล้วก็ดูจิต ด, ดูใจเราดูสภาพร่างกายอะไรต่างเออนอนวันละห้าชั่วโมงเป็นยังไงบ้างอาทิตย์นี้อ่าเดี๋ยวอาทิตย์หน้าคุณลองดูนอนมันสักเจ็ดชั่วโมงเลยเป็นยังไง อ, อนะ <c oughs> ออตื่นขึ้นมาหน้าบวมเลยหรือป <c oughs> เปล่าตังเกตดูด้วยดูหน้าตาดูรู้สึกว่าเ อ, อ๊ะก็กินเท่าเดิมนะแต่นอนมากขึ้นน่ะ มันบวมขึ้นได้เปล่าสังเกตดูด้วยดูหน้าตาดูผิวพรรณดูอารมณ์ดูหมดแหละเอเอถ้าเราเปลี่ยนแปลงการนอนเนี่ยแล้วเป็นยังไงสมมติว่านอนเจ็ดชั่วโมงแล้วกูลองดูอีกเอา้านอนมาสักสิบชั่วโมงเลยเป็นไงตอนนี้มันไม่น่าบวมัอนอาจจะตัวบวม ค, คือคือมันต้องทดลองเหมือนกันนะบางสิ่งบางอย่างเพราะว่าบางทีถ้าคุณไม่ทดลองมาบ้างเนี่ย คุณก็ไม่รู้จริงๆว่าไอ้ความพอดีของคุณมันอยู่ตรงไหนเพราะบางทีมันต้องมีแล้วคุณรู้แล้วคราวนี้พอคุณรู้นะคุณก็จะรักษาไอ้ไอ้ความพอดีนี่คุณไปเรื่อยๆจนกระทั่งคุณเก่งขึ้นเก่งขึ้นเก่งขึ้นหมายถึงจิตใจเนี่ยนะมันลงตัวขึ้นมันเก่งขึ้นมันมีความสงบระงับมันไม่ค่อยฟุ้งซ่านมันไม่ค่อยหัวงไม่ค่อยวิตกกังวลอะไรต่างๆเพราะฉะนั้นคนนี้วันหลังเนี่ย สมมตว่าเราเราพอดีเจ็ดชั่วโมงอะนะตอนเนี้ยแต่พอเราอารมณ์มันชักลงตัวเราก็ปฏิบัติสภาพจิตเราก็ดีขึ้นเรื่อยๆคราวนี้คุณเริ่มทดลองแล้วว่าเออเอ๊เราเราเราพัฒนาตัวเองดีขึ้นแล้วนี่เพราะฉะนั้นเราลองดูซิเราลองลดชั่วโมงการนอนดูซินอนมันเหลือสักหกชั่วโมงแล้วเป็นยังไงอ่าถ้าคุณลดลงไปแล้วคุณนอนเหลือหกชั่วโมงแล้วคุณยังรู้สึกว่า เออหชั่วโมงแล้วมันยังเ อ, อ๊มันก็ยังสดชื่นแจ่มใสแล้วก็ไม่มีปัญหาสุขภาพร่างกายอะไรเลยนะนั่นนะคุณจะเริ่มรู้รว่าเออไอมัชิมาของเรานี่ฐานเราเริ่มสูงขึ้นแล้วมันสามารถลดจำนวนการนอนลงไปได้ถ้าใครเนี่ยนะพัฒนาจิตใจจิตปัญญาของตัวเองดีขึ้นนะแต่อย่างอื่นเรายังไม่ลดนะคุณจะรู้เหมือนกันเพราะมันจะล้นมันจะเกิน มันจะมีเครื่องบอกคุณเหมือนกันแล้วคุณจะรู้เลยว่าบางทีนี่เอมันชักอ้วนมันชักบวมอย่างที่บอกคุณรู้ทั้งๆ ท, ที่คุณกินคุณอะไรอย่างอื่นเท่าเดิมนะเอออย่างอื่นคุณไม่ได้ไม่ได้ลดไม่ได้เพิ่มอะไรทั้งสิน้นแต่คุณนอนอยู่ขนาดเนี้เพราะจิตใจเรามันดีขึ้นเห็นไหมหลายคนเลยที่เรียกว่าเขากินปกติธรรมดากินเหมือนเดิมขนาดบางคนเนี่ย น, นอนเท่าเดิม ไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรเลยนะหลายคนที่บางทีมาปฏิบัติธรรมแต่พอเขาปฏิบัติธรรมแล้วจิตใจเขาดีขึ้นเขาตัดปล่อยอารมณ์โกรธอารมณ์กามตัดปล่อยอารมณ์อัตตามานะอะไรต่างๆเนี่ยลดลงไปได้ลดไปลงลงไปได้แค่จิตใจที่มันสบายขึ้นเนี่ยการเผาผลาญอาหารก็น้อยลง น, นการสูญเสียแคลอรี่ต่างๆในร่างกายก็ลดลงคนนี้ยังจะอ้วนขึ้นได้เลย เ ห, หมแล้วแต่ก่อนเคยนอนอย่างนี้เนี่ยเาบอโอ้โหตอนนี้รู้สึกว่านอนแล้วมันเอ๊มันชักจะรู้สึกเกินเกินจริงๆอิงอาคนนั้นจะรู้เองเอ๊มันนอนมากไปนะเนี่ยรู้สึกเองไม่ต้องมีใครมาบอกเราเลยเจอกระทั่งนคนนี้เข้าใจอสภาพนี้แหละคนนั้นก็เลยเอ๊ะเราเราน่าจะลองลดดูแล้วปรากฏว่าพอคุณลดแล้วคุณสัมผัสได้อีกเหมือนกันว่าเออมันสบายขึ้นแฮะรู้สึกร่างกายก็สบายขึ้น รู้สึกปลอดโปรงรู้สึกแข็งแรงมันไม่อึดอัด <walls> เหมือนถ้าคุณกินอะไรแล้วคุณรู้สึกว่ามันแน่นคุณรู้สึกอึดอัดแน่นท้องคุณกินไปแล้วคุณพอดีคุณรู้สึกเออมันโปรง่งมันสบายมันไม่อึดอัดมันจะไม่มีอาการเหมือนก จ, จะอ้วกมันไม่มีอาการเหมือนกับว่าหนักห น, นักตัวหนักหนักกระเพาะอะไรเงี้ยห น, ент, นักหนักพุงอะไรงี้ยมันไม่มีอาการแบบนั้น พอมันลดลงไปแล้วคุณกับจะรู้สึกสดชื่นแจ่มใสเบิกบานนะลงตัวของตัวเองเนี่ยมากขึ้นจริงๆเรื่องนี้เป็นเรื่องที่จริงๆแล้วเนี่ยศาสนาพุทธเนี่ยพระเจ้าตรัสรู้มัชฌิมาปฏิปทาทางสายกลางเพราะฉะนั้นคนที่ปฏิบัติอย่างพุทธในสายของพุทธศาสนาเราเนี่ยนะที่พทธเจ้าท่านสอนมาเนี่ย จะต้องรู้มัชิมาอันนี้ให้ได้ถ้าใครปฏิบัตินะไม่พยายามเข้าใจไม่พยายามรู้มัชิมานะคนนั้นช้านานคนนั้นอีกนานกว่าจะคลาทางได้ถูกต้องแล้วก็เหมาะสมให้กับตัวเองแล้วคนนั้นก็จะไม่รู้มัชิมาของคนอื่นด้วยยากจะพูดจะแนะจะบอกจะสอนจะติจะว่าอะไรคนอื่นก็ไม่มีความพอดีพอเหมาะเพราะว่าคนนี้เนี่ย ไม่ได้ใส่ใจไม่ได้สนใจไม่รู้เรื่องของมัชิมาที่ที่เหมาะวรที่ถูกต้องเพราะฉะนั้นคนนี้จะประมาณไม่ดีจะประมาณไม่เก่งทำอะไรแล้วคิดอะไรแล้วมันจะพลาดบ่อยเพราะว่าไม่ค่อยรู้จักมัชิมาที่เหมาะควเพราะเรื่องของมัชิมาเนี่ยเป็นสูงสุดเป็นสูงสุดสำหรับศาสนาพุทธพระเจ้าตรัสรู้มัชิมาปฏิปทาเนี่ย มรคองแปดนี่ก็อยู่ในมัชชิมาปฏิปทาทางสายกลางเนี้ผู้เจ้าบอกทางสายกลางนี้คือมรคองค 8. แปดเพราะมรคองแปดนี่แหละก็คือตัวมัชชิมาด้วยแต่ในมรคองแปดเนี่ยคุณจะต้องไปฝึกหามัชชิมาอีกในมรคองแปดมันไม่ได้ตายตัวอีกเหมือนกันเพราะเนี่ยถ้าเราเข้าใจอันนี้ได้นะเราจะรู้เลยว่าเออไอนอนพอดีของเราเนี่ย มันแค่ไหนแล้วนอนแค่ไหนเกินพอดีเนี่ยเกินควรไปเอาพอนอนเสร็จแล้วก็พักนะพักเกินควรพักอันนี้ไม่ได้หมายถึงเรื่องนอนแล้วพักอันนี้อาจจะพักผ่อนหย่อนใจอา่าพักจากการงานเราอาจจะมาพูดคุยอาจจะสนทนาอาจจะไปเดินเล่นหรือว่าอะไรอ่ะบางคนไปดูหนังฟังเพลงอา้าวบางคนก็ไปกิน ไปดื่มไปเสพปอะไรก็แล้วแต่ว่าไอ้คำว่าพักเกินควรเนี่ยหมายถึงว่าเมื่อคนนั้นทํางานทําการไปแล้วคนนั้นรู้ว่าตัวเองควรจะพักมากหรือว่าน้อยขนาดไหนไปสังเกตดูนะคนที่ไม่เรียนรู้มัชชิ ม, มาเวลาทำงานก็ทำเวอร์ทำเกินหรือบางทีก็ไม่ทำเพราะไม่ทำนี่หมายถึงพักนั่นเองพอเวลาพักก็พักเวอร์ มันไม่รู้จกักมาชิมาหรอกว่าไอ้ที่ตัวตัวเองทํางานเท่านี้ชั่วโมงควรพักเท่านี้ชั่วโมงแล้วพอดีสําหรับตัวเองไม่รู้เรื่องเวลานึกชอบนึกอยากก็ทำมันตะบี้ตบันจนบางทีสุขภาพร่างกายก็เสียพักไม่เป็นวันสูงสุดจําได้ไม้มพ่อท่านเอาคําของพระเจ้าเนี่ยเอามาบอกพวกเราบ่อยเลยแล้วก็พ่อท่านพูดบอกโอ้โหคํานี้นี่ลึกซึ้งมากคือคํา เราไม่พักเราไม่เพียรเราจึงข้ามอกขสงสารได้อันนี้คือมัชฌิมาปฏิปทาคือความสุดยอดคือความสูงสุดคุณปฏิบัติทุกวันเนี่ยคุณพอจะรู้ไหมละ่ะว่าคุณควรจะทำงานสักขนาดไหนเป็นพดีสนหรับคุณว่าคุณควรจะพักขนาดไหนและเป็นพดีสาหรับคุณบอกได้เลยว่าไม่ง่ายเลยไม่ง่ายเลย เพราะว่าไอ้คาว่าคุณไม่พักคุณไม่เพียรเนี่ยนะที่มันไม่เกินควรเนี่ยหรือว่าไม่เกินพอดีไปเนี่ยนะโอ้โหมันเป็นเรื่องที่คนนั้นเนี่ยจะต้องทาจะต้องพิสูจน์จะต้องตรวจตาแล้วบอกง่ายๆเลยนะคุณจะต้องมีความาพลาดพรั้งเออเดี๋ยวมากเกินไปเดี๋ยวต่งเกินไปคุณจะต้องทำจกระทั่งคุณเรียนรู้ด้วยประสบการณ์ชีวิตของคุณเอง โดยท่านคุณเริ่มรู้ความพอดีขึ้นมาว่าเออทำอย่างนี้มันถึงจะพอดีคุณจะต้องรู้ไม่ใช่แค่ตัวคุณเองที่ทำนะคุณยังจะต้องรู้กาละคุณต้องรู้บุคคลบุคคลอื่นอ่าสังคมอย่างนี้หมู่กลุ่มอย่างนี้เหตุการณ์อย่างนี้โอ้โหคนเนี่ยถึงจะรู้พักรู้เพียนได้อย่างถูกต้องถ้าไม่รู้อย่างนี้นะ ไม่ยังไม่เก่งจริงยังแบบว่าทําไปตามอะไรอ่ะเหมือนกับทําไปตามตัวหนังสือทําไปตามกฎทําไปตามระเบียบโดยที่ไม่รู้กรรมกับกาละเนี่ยกรรมกับกาละนี่กคือเราไม่พักเราไม่เพียรกรรมกับกาละเนี่ยกรรมนี่ก็คือทำนั่นเองทํางานคือไม่พักนั่นเองกรรมเนี่ยนะ กาละนี่คือคุณรู้จักเพียนแอบคุณคุณรู้จักพักคุณรู้เวลาว่าเออเวลาใดควรทําเวลาใ ด, ดควรพักนะอันนี้เป็นเรื่องที่เรียกว่าถ้าใครรู้จักอย่างเนี้ยแล้วพยายามตรวจสอบตัวเองอยู่บ่อยๆคนนั้นถึงจะรู้เวลานอนนะไม่นอนเกินควรรู้เวลาพักไม่พักเกินควรเวลาเล่นนี่ยเล่นหรือเริงรมมากกว่าควร จริงๆชีวิตคนเราถ้าเราใช้ภาษาที่ที่เพาะหน่อยที่พรเจ้าท่านให้ก็คือเบิกบานเราจะรู้ว่าเราควรจะเบิกบานขนาดไหนในหมูกลุ่มอย่างนี้ในกาละแบบนี้นะอย่างเช่นอา้างานปีใหม่อย่างเงี้ยพ่อท่านก็อนุญาตแล้วอนุโลมแล้วให้เล่นได้ให้เลงรมนะัร้องรำทำเพลงได้ขนาดนี้ขนาดนี้ ปีนี้ย้ำมาพ่อท่านาห้ามแต่งหน้านะอะมาแต่งหน้าทาปากอะไรงี่งดไม่ให้ทำคุณรู้ว่าเอาก็อนุญาตแค่เอาแป้งมาทาทาเอออนุญาตแค่นั้นคุณรู้ว่าควรจะทำแค่ไหนแล้วเวลาเราไปดูเราไปชมไม่ใช่แหมการแสดงเขาก็ดีเลยนะสนุกสนานบันเทิงเบิกบานดีมีเนื้อหาสาระแต่ปรากฏว่า สมมติว่าเรื่องเขาสนุกเรื่องเขาตื่นเต้นเราใจชวนให้ําขันบ้างอะไรบ้างเราไปดูนี่หน้าบึง้งมาเพราะมันไม่รู้กรรมไม่รู้กาละไม่รู้อะไรเลยนะอยู่ในพบตัวเองอยู่ในพบตัวเองชัดๆเลยไม่รู้กรรมไม่รู้กาละไม่รู้เวลาหรือบางทีเนี่ยเขาเศร้าโศ ก, กันนะสมมตินะไปงานศพ คุณก็เอาตามใจตัวเองเลยไปพูดขำขันไปอะไรไม่รู้กรรมไม่รู้กาละไปหัวเราะไปสนุกสนานไปเบิกพานโอ้หนี่เขางานศพนะเขามีความเศร้าโศกกันคุณจะไปคิดว่าโอ้ก็เขาเศร้ากันสนิเราจะได้ให้เขาหายเศร้าเพราะฉะนั้นเราก็เลยต้องให้ขำขันหน่อยไอ้อย่างนี้ไม่รู้กรรมไม่รู้กาละเออนะมันไม่เหมาะไม่ควรนะอั น, นเนี้ยต้องดูเอา นะอย่าให้มันมากเกินกว่าควรแล้วก็เนี่ยอยู่ว่างๆเกินกว่าควรนะอยู่ว่างๆเกินกว่าควรนี่ก็น่าจะรู้นะคนเราต้องมีเวลาเหมือนกันพระพุทธเจ้าเองเนี่ยมีเวลาว่างๆว่างๆไม่ใช่ขี้เกียจทํางานนะว่างๆนี่ก็คือบางทีบางครั้นท่านก็มีสุญญาตาวิหารเข้าใจคําว่าสุญญาตาวิหารนะคือ บางทีท่านก็ไม่ต้องไปคิดไม่ต้องไปปรุงอะไรบ้างก็มีท่านก็ตัดล่อไปบ้างเหมือนกันบางครั้งอะ่ะไม่ใช่ว่าท่านจะปรุงมันทั้งวันทั้งคืนพักก็พักไม่ได้อย่างนั้นแสดงว่าพักไม่เป็นเหมือนกันเน่ยเพราะฉะนั้นท่านพักเป็นนะศูนย์เนี่ยจะศูนย์จากกิเลสถ้าท่านจะปรุงท่านก็ปรุงแล้วท่านก็เบิกบานบันเทิงถ้าไม่ได้ปรุงฟุ้งซ่านไม่ได้ปรุ ง, ง, รงแล้วโอ้โหเสียพลังงาน มากมายกายกองการปรุงบรรย่างปรุงแล้วก็ทำให้เพิ่มพลังการปรุงบรรย่างปรุงแล้วเสียพลังว่างๆว่างๆแบบหนึ่งว่างๆแบบลือสีว่างๆอีกแบบหนึ่งนี่ว่างแบบแบบพุทธะเหมือนกับพ่อท่านบอกว่าใครยิ่งว่างๆคนนั้นยิ่งฮะใครยิ่งว่างๆคนนั้นยิ่ง อะยิ่งไม่ค่อยว่างคือหมายถึงว่าโอ้โหยิ่งสามารถทํางานทําการอะไรได้เยอะแยะไปหมดเพราะว่าจิตใจว่างว่างจากกิเลสนะแต่ในที่นี้เนี่ยคงไม่ได้ไปลึกขนาดนั้นนะนี่มาพูดให้ฟังว่าอยู่ว่างๆเกินกว่าควรก็คือไม่ไปทํางานทําการไม่ค่อยจะอะไรนั่นเองสรุปอ่ะพ่อท่านสรุปว่านะทั้งหมดนี้นะทั้งหข้อเนี่นะลักษณะของ ลักษณะที่ทําให้คนไม่เป็นคนเนี่ยหกข้อเนี่ยคือลักษณะที่ทําให้คนไม่เป็นคนแล้วก็ไม่ได้ไปเป็นเทวดาในะ <c oughs> เนีแต่มันไม่เป็นคนเนี่ยมันไปเป็นไปเป็นผีหรือไปเป็นขยะซะสรุปพ่อท่านก็บอกเกิดจากความขี้เกียจเออเห็นไหมเนี่ยเกิดจากความขี้เกียจอันคือกิเลส ท, ที่ทําให้คนเลวหรือทําคนเสื่อมค่า จากความเป็นผู้ประเสริฐโดยแท้สรุปคือความขี้เกียจเพราะวนันนี้นะทั้งหมดเนี่ยหนีไม่พ้นสินข้อห้าสินข้อห้าเนี่ยในสินห้าเนี่ยแหละหนีไม่พ้นเลยวันเราลองไปพิจารณาไปตรวจสอบไปศึกษาดูนะถ้าใครตรวจสอบศึกษาดูดีๆช่วยได้เยอะช่วยทำให้เราเนี่ยหลายครั้งหลายหนเราจะรอดรอดพ้นจากความขี้เกียจได้ พอคุณนึกคุณพิพจารณาขึ้นมาปับ๊บมันจะเตือนใจเราแล้วมันเตือนสติเราแล้วก็จะช่วยให้เราเนี่ยนะเอออยากขี้เกียจเลยนะเอาเถอะนะทําไม่ดุนนายทําไม้ดีนะพยายามเถอะฝืนใจหน่อยไม่เป็นไรทํามันไปเดี๋ยวมันขยันเองอะ่ะหรือเดี๋ยวมันก็ดีเองอะ่ะเราก็พยายามเถอะเนี่ยจะมีกําลังพวกเนี้กําลังของเจโตกําลังของจิต แล้วมันจะมีกำลังของปัญญาที่จะให้เราเนี่ยเออพยายามทำให้ได้แล้วในที่สุดเราก็จะพ้นจากความเป็นขยะของชีวิตได้อ่ะวันนี้คงฝากไว้เท่านี้นะ